สมาธิอาจมีได้โดยทางธรรมชาติอย่างหนึ่งและจากการปฏิบัติตามหลักวิชาโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งมีผลอย่างเดียวกันคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็นำไปเพ่งพิจารณาคือวิปัสสนาแต่มีข้อควรสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้น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 ขอแต่เพียงให้รู้จักประทับประคองทำให้สมาธิเกิดและให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันข้อความต่างๆในพระไตรปิฎก ก, ก็มีเล่าถึงแต่เรื่องการบรรลุมรรคผลทุกขั้นตามวิธีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองหรือต่อหน้าท่านที่สั่งสอนคนอื่นๆโดยไม่ได้นำไปสู่ป่า นั่งทำความเพียรอย่างมีพิธีรีตองหรือกำหนดเพ่งอะไรต่างๆ ต, ตามอย่างในคำเพี์ที่แต่งกันใหม่ในชั้นหลังๆโดยเฉพาะในกรณีแห่งการบรรลุอรหั ต, ตผลของภิกษุปัญจวัคคีย์หรือรือสีหนึ่งพันรูปด้วยการนั่งฟังอนัตตลัคณะสูตรและอาทิตตปริยายสูตรด้วยแล้วจะยิ่งเห็นว่า ไม่มีการพยายามตามหลักวิชาการใดๆเลยแต่เป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดตามวิธีของธรรมชาติแท้ๆนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นย่อมเกิดขึ้นเองในระหว่างที่ทำความพยายามเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆให้แจ่มแจ้ง และต้องมีอยู่มากในขณะที่มีความเห็นอันแจ่มแจ้งติดแนบแน่นอยู่ในตัวอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ทั้งยังเป็นไปได้ตามธรรมชาติในทํานองเดียวกันกับตัวอย่างที่ว่าพอเราตั้งใจคิดเลขลงไปเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาเองพอเราจะยิงปืน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 เราก็มาถึงความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับลำดับแห่งความรู้สึกต่างๆภายในใจจนกระทั่งเกิดการเห็นแจมแจ้งตามที่เป็นจริงต่อโลกหรือต่อขันห้าลำดับแรกได้แก่ปิติและปราโมดหมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือความอิ่มเอมใจในทางธรรมการที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้การให้ทานซึ่งถือกันว่าเป็นบุญชั้นต้นๆก็เป็นการทำให้เกิดปิติปาโมทได้ถ้าเป็นถึงขั้นศีลคือมีความประพฤติทางกายวาจาไม่ด่างพร้อยจนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได้ปิติปราโมทก็มากขึ้นถ้าหากไปถึงขั้นสมาธิ จะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิอันดับแรกที่เรียกว่าปถมยานั้นก็มีปิติอยู่องค์หนึ่งด้วยโดยไม่ต้องสงสัยปิติตาโมดนี้มีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดความรำงับคือปัสสันทิตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะรำงับ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 ตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินอะไรทำนองนี้ก็หาไม่ร่างกายจะต้องให้มีความรู้สึกอยู่อย่างปกติแต่ว่าจิตสงบเป็นพิเศษเหมาะสมที่จะใช้นึกคิดพิจารณามีความผ่องใสที่สุดเยือกเย็นที่สุดสงบรำงับที่สุดเรียกว่ากรมมนีโยคือพร้อมที่จะรู้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 จัดว่าเป็นอุปสรรคของการทำวิปัสสนาโดยตรงทีเดียวผู้จะพิจารณาทำได้จะต้องออกจากฌานแล้วจึงพิจารณาโดยใช้อำนาจของการที่จิตมีสมาธิขนาดได้ฌานมาแล้วนั่นเองเป็นเครื่องมือในการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาตินี้เราไม่ต้องเข้าฌานชนิดที่ทำตัวเองให้แข็งทื่อ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 ในที่เหมาะสมจนรู้แจ้งไม่มีพิธีรีตองหรือปฏิหารอันเป็นเรื่องความเห็นผิดเป็นชอบหรือลหลงไหลต่างๆแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการเห็นแจ้งอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นพระอารหันต์ไปทันทีก็หาไม่ได้ในบางกรณีอาจจะเกิดความรู้ขั้นต้นๆก็ได้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 เป็นคนแพ้คนชนะกระทั่งเป็นมนุษย์หรือเป็นตัวเองถ้าพิจารณาให้ลึกซึง้งแม้ความเป็นคนนี้ก็ไม่น่าสนุกน่าเอือมระอาเพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นคนเสียได้ก็จะไม่เป็นทุกข์นี้เรียกว่าเป็นความไม่น่าเป็นซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของความเป็นชนิดนั้นๆเพราะว่าความเป็นอะไรอะไรนี้มันต้องทนเป็นทนดำรงอยู่ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นหรือเป็นอยู่ต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็คือการต่อสู้ทางใจในการที่จะยึดถือเอาความเป็นอะไรอะไรของตนไว้ให้ได้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 หรืออย่างน้อยก็เป็นภาวะหนักทางใจนับแต่แรกไปและตลอดเวลาทีเดียวเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปเป็นธาตุของความมีความเป็นด้วยอำนาจความยึดติดมีสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งต่างๆเมื่อเรารู้สึกอยู่ว่าโดยที่แท้ มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นหากแต่เรายังไม่สามารถถอนตัวออกไปเสียจากความมีความเป็นนั้นได้เราก็จำเป็นต้องมีสติรู้ตัวให้พอเหมาะสมถ้าจะต้องเข้าไปเอาไปเป็นเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่หลับหูหลับตาเข้าไปเอาหรือเข้าไปเป็นอย่างโง่เขางมงาย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 ท่านก็ยังทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าพวกเราซสอีกดูจากพระพุทธประวัติว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำอะไรบ้างก็จะพบว่าท่านมีเวลานอนพักผ่อนเพียงสี่ชั่วโมงนอกากนั้นทำงานตลอดหมดพวกเรานั่งพักเล่นเสียก็มากกว่าสีชั่วโมงแล้วนี่ท่านทรงทาไปเพราะอานาจของอะไร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 จึงต้องเกิดความทุกข์ยุ่งยากขึ้นทุกๆอย่างทุกประการคนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง mm. ก็เพราะมันอยากเอาอะไร mm. อยากเป็นอะไรเกินขอบเขต mm. เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสียเรื่อย mm. จึงไม่สามารถดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นความดี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 ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นติดตามมาตามสัด ส, ส่วนของการเห็นแจ้งนี่หมายความว่ามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วในการเข้าไปหลงยึดถือหรือเปียบเหมือนเมื่อเราต้องตกเป็นทาตเขามานานจนมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่จะต้องปลดเปลื้องตนเองออกจากความเป็นทาตุ นี่เป็นลักษณะของนิพพิธาคือเบื่อหน่ายเกลียดความเป็นทาสขึ้นมาแล้วหน่ายต่อความที่ตนหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจว่าหน้าเอาหน้าเป็นนั่นเองครั้นพอมีความเบื่อหน่ายแล้วโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเองย่อมจะมีความจางหรือคลายออกคือวิราคะ เหมือนกับเชือกที่ผูกมัดไว้แน่นถูกแก้ออกหรือเหมือนสีน้าย้อมผ้าที่ติดแน่นเอาแช่น้ำยาบางอย่างทําให้มันหลุดออกความยึดถือที่คลายออกจางออกจากโลกหรือจากสิ่งทั้งปวงที่ยึดถือนี้ท่านเรียกว่าวิราคะระยะนี้ถือว่าสำคัญที่สุดแม้จะไม่ใช่ระยะสุดท้าย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 ในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้าหมองก่อนนี้เศร้าหมองทุกทางเพราะการเข้าไปจมเป็นธาตุของสิ่งทั้งหลายเป็นความเศร้าหมองที่กายวาจาใจหรือมองดูในแง่ไหนๆก็เป็นเรื่องความเศร้าหมองทั้งนั้นต่อเมื่อหลุดพ้นออกมาจากความเป็นธาตุในรสอร่อยออร่อยของโลกแล้วจึงอยู่ในลักษณะที่บริสุทธิ์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 คือความสงบรำงับดับเย็นของสิ่งทั้งปวงมันแทบจะเรียกได้ว่าถึงขั้นสูงสุดหรือถึงขั้นเดียวกับนิพพานแท้ที่จริงสันติกับนิพพานนั้นเกือบจะไม่ต้องแยกจากกันที่แยกจากกันก็เพื่อจะให้เห็นว่าเมื่อสงบแล้วก็นิพพาน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 ความเผาลนปราศจากความผูกพันร้อยรัตต่างๆทุกอย่างทุกประการรวมความแล้วก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกขโดยสิ้นเชิงนิพพานยังมีความหมายที่มุ่งใช้ต่างๆกันอีกหลายอย่างเช่นหมายถึงการดับความทุกข์ก็มีหมายถึงการดับของกิเลสอย่างหมดสิ้นก็มี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 ทางที่จะเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยการประคับประคองให้ดีทำจิตใจให้มีปิติปราโมทมีการเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เสมอจนกระทั่งเกิดคุณธรรมต่างๆตามลำดับที่กล่าวแล้วนี้ส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการเร่งรัดด้วยอำนาจจิตบังคับ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 เป็นเหตุให้จิตมีสมัทธภาพในการคิดค้นตามธรรมชาติอยู่อย่างอัตโนมัติเกิดความเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นอยู่เสมอขณะใดเป็นไปอย่างแรงกล้าจิตก็นายคลายความอยากไปเองไม่มีความหลงอยากในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาอีกต่อไป ความทุกข์ซึ่งไม่มีที่ตั้งอาศัยก็สิ้นสุดลงผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกข์แล้วนับว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมีไว้ให้สําหรับทุกคนโดยแท้จริงสรุปคําบาลีและความหมายที่ใช้ในแนวการทําให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ 1. ปิติและปราโมทคือความอิ่มใจในธรรม 2. ปัดสัตธิคือความรำงับ 3. ส, สมาธิคือจิตสงบ 4. ยะถาภูตยานัศสนะคือรู้ความเป็นจริงต่อโลก 5. นิพพทาคือความเบื่อหน่าย 6. วิราคะคือความคลายออก 7. วิมุตติคือความหลุดออก 8. วิสุทธิคือความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมอง 9. สันติคือความสงบเย็น 10. นิพพานคือภาวะที่ปราศจากความทุกข์ คำกลอนสอนใจเรียนธรรมะเรียนธรรมะอย่าตะกละให้เกินเหตุจะเป็นเปรตหิวปราดเกินคาดหวังอย่าเรียนอย่างปรชัชญามัวบ้าดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เข้ารอยเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะ เรียนเพื่อละทุกข์ใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกข์ที่มีจริงยิ่งเข้ารอยไม่เลือนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงต้องตั้งต้นการเรียนที่หูตาสัมผัสแล้วเกิดเบทนาตันหาวิ่งขึ้นมาอยากเกิดผู้อยากเป็นปากปลิง เรียนรู้ยิงตันหาดับนับว่าพอ